ธรรมบทแปลเรื่องพระติสเถระภาคที่หนึ่งเรื่องที่สามพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นพระเชตวันทรงปรารบพระติสเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอากโกชิมังอวะทิมังอะชินิมังอาหาสิเม เยจะตังอุปะในหันติเวรังเตสังนะสัมมติอโกชิมังอวะทิมังอาชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปะในหันติเวรังเตสูปะสัมมติแปลว่าก็ชนเราได้เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า ผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเราผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเว้นของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชวนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเรา ผูน้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเว้นของชนเหล่านั้นย่อมระ ง, งับได้ดังได้สดับมาท่านติสะเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในการที่เป็นคนแก่บริโภคลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนพี มีจีวรรีดเรียบร้อยโดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอากันตุกะทั้งหลายมาแล้วเพื่อต้องการจะเฝ้าพระตาคตจึงได้ไปสู่สำนักแห่งเธอด้วยสำคัญว่านี้จะเป็นพระเถระผู้ใหญ่หนังนี้แล้วถามโดยเอื้อเฟื้อเพื่อถึงวัด คือแสดงข้อวัดต่างๆมีกิจกวรทำมีการนวดเท้าเป็นต้นเธอก็นิ่งเสียลาดับนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งถามเธอว่าท่านมีปรรษาเท่าไรเมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีปรรษาข้าพระเจ้าบวชแล้วในการเป็นคนแก่ภิกษุนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า ท่านกรัวตาผู้มีอายุศึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทําวัดแม้สักว่าสามีจีกรรมเมื่อวัดอันพระเถระเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้ อ, อยู่ท่านก็นิ่งเสียแม้สักว่าความรังเกียจก็ไม่มีแก่ท่านดังนี้แล้วภิกษุหนุ่มนั้นจึงดีด นิ้วมือเป็นที่รุกรานพระติสระจึงได้ทำคติยะมานะให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักใครเมื่ออากันตุกับภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะมาสู่สำนักของพระศาสดาติสะจึงกล่าวขึ้นว่าก็บวกท่านรู้หมายว่าข้าพเจ้านี้เป็นใครข้าพเจ้าจะตัดมูล คือตัดความเป็นสมนะของพวกท่านให้เสียได้ดังนี้แล้วจึงได้ร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สัมนกของพระศาสดาแล้บบนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามติสสาว่าติสสาเธอเป็นอะไรเนาะจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ําตาอาบหน้าร้องไห้มาแล้วฝ่ายภิกษุ พวกอาการตุกัดเหล่านั้นจึงคิดว่าภิกษุนั้นคงไปทำกรรมขุนมัวอะไรอะไรจึงได้ไปกับพระติสตระนั่นทีเดียวถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระติสตระนั้นอันพระาศาสดาตรัสตามแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้ดาข้าพระองค์พระาศาสดา ก็เธอนั่งแล้วที่ไหนประิสะที่โรงฉันกลางวิหารพระชุก้าก็ภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือได้เห็นแล้วพระโชก้าก็เธอได้ลุกขึ้นทำการต้อนรับหรือไม่ไม่ได้ทำเลยพระโชก้าก็แล้วเธอได้ถามโดยเอือ้อเฟื้อถึงการรับบริการของภิกษุเหล่านั้นหรือไม่ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อเลยพระชุก้า แล้วเธอได้ถามโดยเอื้อเฟือถึงธรรมเนียมหรือน้ำดื่มหรือไม่ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอือ้อเฟื้อพระเจ้าข้แล้วเธอได้นำอาสนะมาหรือทำการนวดเท้าให้หรือไม่ไม่ได้ทำเลยพระเจ้าข้าติสะข้อวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำข้อวัดทั้งปวงนั่น นั่งอยู่ในท่ามกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสียค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษพวกเธอติชะเธออย่าได้ทำอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นอกันตุกะจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติาสานี้เป็นคนว่ายากพระาศาสดาสจึงได้ตรัสนว่าวภิกษุทั้งหลายติาสานี้มิใช่ว่าเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติาสานี้ ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็เธอได้ทําอะไรไว้ในอดีตการพระชก้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจะได้ทรงนําเรื่องอดีตของพระติสสะตอนบุรพกรรมของพระติสสะ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพระณศีเสวยวราชาสมบัติอยู่ในเมืองพระณศีดาบทชื่อเทวละอยู่ในหิมมะวันตาประเทศ8เดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนคร อ, อยู่สี่เดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมะวันตาประเทศพบพวกคนเฝ้าประตูพระนคร จึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพรนะนครนี้แล้วย่อมพักกันอยู่ที่ไหนเขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงบอกว่าที่โรงนายช่างหม่อกรับเทวราชดาบทจึงได้ไปสู่โรงนายช่างหม่อแล้วยืนที่ประตูแล้วกล่าวว่าถ้าท่านไม่มีความหนักใจครับเช้าขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหนึ่งได้หรือไม่ ในช่องม่อจึงกล่าวว่าก็ในเวลากลางคืนกิจของข้าพเจ้าที่โรงนั้นไม่มีโรงนั้นก็เป็นโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถอะครับดังนี้แล้วจึงได้มอบโรงถวายเมื่อเธอก็ไปนั่งแล้วด่าบทแม้อีกคนหนึ่งชื่อนารา ะ, ะมาจากหิมาวันต์ประเทศก็ได้ขอพักอยู่คืนหนึ่ง กับนายช่างหมอ้อเหมือนกันนายช่างหมอ้อจึงคิดว่าดาบทผู้มากรึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบทคนนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงได้กล่าวว่าก็ถ้าท่านผู้เข้าไปก่อนจะพอใจใช้ท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทนั้นเถอะครับนาะแล้วท่านาบทนั้น จึงได้เข้าไปหาเทวละดาบทแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้สักราตรีหนึ่งเทอดกระหม่อเทวละดาบทกล่าวว่าโรงนี้เป็นโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้าง 3. หนึ่งเถิดนังนี้แล้วนาละธาดาบทจึงเข้าไปนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งแห่งเธอ ผู้เข้าไปก่อนดาบทแม้ทั้งสองคนพูดปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนาราาดาบทกกำหนดที่นอนแห่งเทวลาดาบทและประตูแล้วจึงเข้านอนส่วนเทวลาดาบทนั้นเมื่อจะนอนก็หาได้นอนที่ตนนั่งไม่ไพรนอนกวางที่กลางประตู นาดตะดาบทเมื่อออกไปในตอนกลางคืนจึงได้เหยียบที่สดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเราเนาะนาดตะจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเทวละดาบทกล่าวว่าเจ้าฉลิงขี้โกงท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่สดาของเรานาดตะดาบทท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเทวลาดาบทกำลังบ่นอยู่นั่นแลนาระทะจึงได้ออกไปข้างนอกแล้วเทวลาดาบทจึงมีความคิดว่าดาบทตนนี้แม้เข้ามาก็จะพึงเหยียบเราอีกดง น, นี้แล้วจึงได้นอนพลิกกลับหันศีรษะไปทางเทา้าฝ่ายนาระะัดาบทเมื่อจะเข้าไปคิดว่า แม้ที่แรกเราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์แบบ น, นี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านตอนนี้แล้วเมื่อเข้ามาจึงได้เหยียบที่ก้านคอของเทวราดาบทเทวราดาบทจึงกล่าวว่านี่ใครนาระท่านอาจารย์ผมเองเจ้าชลินกงทีแรกท่านเหยียบที่ชดาของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่ก้านคอของเราอีกเราจะสาปท่าน นารดาท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเทวระดาบทก็ยังกล่าวว่าเจ้าชลินกงเราจะสาปท่านนารดากล่าวว่าท่านอาจารย์ ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเทวเวลาดาบทนั้นไม่เอื้อเฟือถ้อยคําของนารทดาบทยังขืนสาบนารทดาบทนั้นด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกาจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแต่งออกเจ็ดเสียง นาละดาบทจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อผมกำลังพูดอยู่ทีเดียวท่านได้สาบแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงยาแตก น, นี้แล้วจึงได้สาบด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อย มีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงก็นารธกดาบทนั้นมีอนุภาพมากตามประลึกชาติได้80กลับคือในอดีตการ40กลับในอนาคตการ40กลับเพราะฉะนั้นท่านมีความคิดว่า คำสาบนั้นจะตกในเบื้องต้นแห่งใครน้อแลาเมื่อไกลรกควนไปก็ทราบว่าจะตกในเทวละดาบทั้งนี้แล้วนาลตะจึงอาศัยความกรุณาจึงได้ห้ามอารุณด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนชาวรนนครเมื่ อ, อรุณไม่ขึ้นก็ได้พากันไปสู่ประตูพระราชวัง แล้วโอดกลัวนว่าข้าแต่สมุทิเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดให้อรุณขึ้นเพื่อพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจรารณาจริยานุวัตนมีไกกรรมเป็นต้นของตนแล้วมิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรอะไร จึงทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรหนาแลที่ได้มีความระแบงขึ้นว่าชะรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนนี้แล้วจึงได้ตรัสถามว่าก็าพวกบรรพชิตในบรรนัคนนี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวันนี้มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างมอบพระชก้าพระราชา มีราชบุรุษถือคบเพลิงนำเสด็จไปในที่นั้นในทันทีทรงอพิวาานารตาดาบทแล้วประทับนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วตรัสถามบ่าผู้เป็นเจ้านารทะการงานทั้งหลายของพวกชมบุทวีบย่อมเป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้า นรธาดาบทจึงได้เล่าเรื่องทั้งปวงถวายแล้วจึงได้ถวายพระพรแก่พระราชาว่าอาตมภาพอันดาบทตนนี้สาบแล้วเพราะเหตุนี้ที่นั้นอาตมภาพจึงได้กล่าวสาบบ้างว่าโทษของข้ า, าพเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีคำสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแลก็ครั้นสาบแล้ว จึงคิดว่าคำสาบนั้นจะตกในเบื้องบนแห่งใครน้อแลเมื่อไครครวนไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นสีสระของอาจารย์เทวราชดาบทนั้นจะแตกออกเจ็ดเสียงดัง น, นี้แล้วได้อาศัยความกรุณาในท่านจึงมิให้อรุณขึ้นพระราชาก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่เทวราดาบทเล่าก็รับ นราาก็ถ้าเทวราดาบดขอโทษอาตามภาพเสียอันตรายก็จะไม่พึงมีประราชาถ้าอย่างนั้นท่านเทวราดาบดจงขอโทษนาราตาดาบดเสียเถิดเทวลาชชลินนั่นเหยียบอัตามภาพที่ชดาและที่คออารมาภาพไม่ยอมขอโทษชลินโกงนั่นประราชาขอท่านจงขอโทษเถิดครับ ท่านอย่าทำอย่างนี้เทวละอาตมาภาพไม่ยอมขอโทษประราชาแต่ศีรษะของท่านจะแตกออกเจ็ดเสียงนะเทวละก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำ ด, ดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับเทวละดาบทว่าท่านจะไม่ยอมขอโทษตามความชอบใจของตนหรือดานี้แล้วจึงรับสั่งราชบุรุษให้จับเทวละดาบทนั้นที่มือ ที่เทา้าที่ท้องและที่คอกให้ก้มลงแทบเท้าของนารธาดาบทนารธาจึงกล่าวขึ้นว่าอาจารย์เชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพระเจ้ายอมอดโทษให้ท่านแล้วแล้วจึงได้กล่าวกับพระราชาว่ามาประพิษดาบทนี้หาได้ขอโทษอาตมาภาพด้วยความสมัครใจไม่ก็มีสระน้ำ อยู่ในที่ไม่ไกลยอยู่สระหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เทวราดาบทนี้ยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีสระแช่น้ำอยู่ในศีรษะแค่คอแต่นี้แล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นนารัตตาดาบทจึงได้เตือนเทวระดาบทว่าท่านอาจารย์ครั้นเมื่อผมคลายฤทธิ์แล้วเมื่อพระอาทิตย์ฉายแสง ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปโดยทางอื่นกก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวราดาบทนั้นพอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสี่ยงเทวราดาบทนั้นดำลงหนีไปแล้วในที่อื่นตอนเวนไม่ระงับด้วยการผูกเวน พระศาสดาครัค้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอนนุ์เทวะดาบทได้เป็นติสสะนาฏะดาบทได้เป็นเราเองถึงในกระนั้นติสสะนี้ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันแล้วรับสั่งเรียงติสสะ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 เวนย่อมระ ง, งับได้แล้ ว, รวเราได้ทรงภาสิทธิพระกาถานี้ว่าก็ชนเ่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเราผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวนของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระ ง, งับได้ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปปูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นอนได้ด่าเราผู้นอนได้ตีเราผู้นอนได้ชนะเราผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระ ง, งับได้บาลีว่าอกโกชิมังอวะทิมังอะชินิมังอาหาสิเมเยจะตังอุปไนหันติ เวรังเตสังนะสัมมติอะโกชิมังอวะทิมังอิชินิมังอาหาสิเมเยจตังนูปะในหันติกกนนตเวรังเตสูปะสัมมติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะโกชิแปลว่าได้ดาคือได้ด่าแล้วคำว่าอาวะทิ คือได้ตีคือทำร้ายร่างกายแล้วคำว่าอะชินิคือได้ชนะหมายถึงได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้างโดยการกล่าวโตว้ตอบถ้อยคาบ้างโดยการทำให้ยิ่งกว่าการทำบ้างคำว่าอาหาสิแปลว่าได้ลักสิ่งของแล้วหมายถึงผู้นอนได้ลักเอาของ คือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นจึงได้สิ่งหนึ่งของเราก็คําว่าเยจะตังแปลว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นเป็นต้นหมายความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งคือเทพยาดาหรือมนุษย์คฤๅษีหรือบรรพชิตเข้าไปผูกความโกรธนั้นมีวัตถุเป็นต้นว่า คนโน้นได้ด่าเราดัางนี้ดุดพวกคนขับเกวียนขันทูบเกวียนด้วยชนะและดุดพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้นด้วยวัตถุมีหญ้าคาเป็นต้นบ่อยๆเวรของพวกเขาที่เกิดขึ้นแล้วกล่าวเดียวย่อมไม่ระงับคือว่าย่อมไม่ส ง, งบลงได้ส่วนคำว่าเยาจะตัง นปะในหันติหมายถึงชนช่วนเหล่าใดไม่เข้าไปปลูกความโกรธนั้นไว้คือชนเหล่าใดไม่เข้าไปปลูกความโกรธนั้นมีคำด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำไม่ในใจบ้างด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่าใครๆผู้หาโทษไม่ได้แม้อันท่าน คงจะด่าแล้วในพก่อนคงประหารแล้วในพก่อนคงจะเบิกพยานโกงชนะแล้วในพก่อนสิ่งของอะไรอะไรของใครๆอันท่านคงจกข่มเหงจริงเอาแล้วในพก่อนเพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำด่าเป็นต้นเวรของชนเหล่านั้น แม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบลงได้ด้วยการไม่ผูกโกรธนี้ดุดไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นก็ในการจบเทศนาะภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสนาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาะได้เป็นระถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วพระติสเตระ ถึงแม้เป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วแหละเรื่องพระติสัตทิระ